ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตันหาการมีตันหาหรือมีฉันทะเป็นแรงจูงใจในการกระทําก่อให้เกิดผลในทางจริยธรรมหรือผลในทางปฏิบัติแตกต่างกันออกไปได้มากเมื่อบุคคลมีตันหาเป็นแรงจูงใจการกระทําเป็นเพียงเงื่อนไขสําหรับการได้สิ่งเสพสเว่ยมาปรนเปรตนเขาไม่ต้องการทั้งการกระทําและผลของการกระทํานั้น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 การได้โดยไม่ต้องทําย่อมตรงกับความต้องการของตันหามากที่สุดข้อขอถ้าจำเป็นจริงๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได้เขาก็จะทําด้วยความรังเกียจจาใจไม่เต็มใจและไม่ตั้งใจจริงโด ย, น, ยนัยนี้ผลเท่าที่พอมองเห็นได้ก็คือเมื่อจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นเงื่อนไขเขาอาจหันไปใช้วิธีลัด หรือวิธีอื่นใดซึ่งง่ายที่จะให้ได้สิ่งเสพมาโดยไม่ต้องทำผลอย่างแรงคือการทุจริตในรูปต่างๆเช่นในกอยากได้เงินไม่มีชันทะและอุตสาหะในงานเสียเลยเขาทนทำงานรอเวลาอยู่ไม่ได้จึงหันไปหาเงินด้วยวิธีลักขโมยแทนหรือหนูหน่อยอยากไปดูหนังทนอ่านหนังสือไม่ได้ อาจขโมยเงินคุณแม่ไปดูเองโดยไม่ต้องรอให้คุณพ่อพาไปผลของการมีตันหาเป็นแรงจูงใจในการกระทําประการต่อไปคือในเมื่อเขามีแต่ตันหาที่อยากได้แต่ไม่มีฉันทะที่อยากทําเขาจึงทํางานที่เป็นเงื่อนไขอย่างชนิดสักว่าทําหรือทําพอให้เสร็จหรือทํากลุมคลุมพอให้เขาเห็นว่าได้ทําผลคือ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 ไม่ได้อ่านเลยหรืออ่านหน้าแรกหน้ากลางหน้าหลังรอจนเวลาผ่านไปพอควรก็มาบอกคุณพ่อว่าอ่านจบแล้วผลของการมีตันหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำประการต่อไปคือในเมื่อเงื่อนไขหลักมีช่องโหว่เกิดความย่อหย่อนละหลวมเลี่ยงหลบหลอกได้เป็นต้น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 คุณพ่อซักถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือที่อ่านเป็นต้นครั้นตันหาเข้าไปครอบงำพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นได้อีกความทุจริตละหลวมย่อหย่อนทั้งหลายก็เกิดแทรกซ้อนมากมายจนอาจทำให้ระบบทั้งหมดฟ่อนเฟะหรือเน่าเละไปผลของการมีตันหาเป็นแรงจูงใจในการกระทาประการต่อไปคือ ในเมื่อสิ่งที่ผู้กระทำต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นผลของการกระทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งผลของการกระทำก็ไม่อาจเป็นตัวกาหนดหรือบ่งชี้ปริมาณและคุณภาพของการกระทำได้เพราะการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันเองแต่กลายเป็นเพียงธาตุสาหรับรับใช้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเกิดความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์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 มีได้อย่างซับซ้อนตั้งแต่ในชีวิตของบุคคลจนถึงปัญหาสังคมในวงกว้างดังจะพิจารณาในตัวอย่างต่อๆไปอีกผลของการมีตันหาเป็นแรงจูงใจในการกระทําประการต่อไปคือในเมื่อการกระทํากับสิ่งที่ตันหาต้องการไม่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันโดยตรงตันหาจึงรังเกียจการกระทําคือไม่ต้องการกระทํา ตันหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำโดยพยายามให้ได้โดยไม่ต้องทำและเมื่อจาเป็นต้องทาก็ทำโดยจำใจดังกล่าวแล้วผู้กระทำด้วยตันหาตามระบบเงื่อนไขจึงย่อมไม่ได้รับความสุขความพึงพอใจในการกระทานั้นและแม้ในผลสาเร็จของการกระทำที่เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับการกระทำมองอีกแง่หนึ่งว่า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 ของพูดเป็นอยู่หรือกระทำด้วยตัณหาจึงได้แก่ความร้อนรนกระวนกระวายความฟุ้งซ่านความเครียดความกระสับกระสายพ่วงด้วยอากุสรธรรมอื่นๆอันอาจเกิดตามมาเช่นความหวาดกลัวความระแวงความริษยาเป็นต้นความไม่สมคาดในระหว่างก็ดีการไม่ได้สมหวังในบั้นปลายก็ดีล้วนนำไปสู่ผลร้ายทางจิตใจที่รุนแรง ให้เกิดความข้องคับใจตลอดถึงโรคทางจิตผลร้ายทางจิตข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งกอบปมปัญหาทางจิตใจที่ระบายขยายออกไปเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่กว้างขวางพึงเทียบกับผลดีของฉันทะด้วยเพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นในบางแง่